อาตมภาพย่อมเห็นคือแลเห็นมองดูเพ่งพินิษพิจารณาเห็นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าเหมือนคนตาดีพึงมองเห็นคือแลเห็นมองดูพิจารณาเห็นรูปทั้งหลายในที่แจ้งฉะนั้นรวมความว่าอาตมภาพย่อมเห็นพระโคดมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยใจเหมือนเห็นด้วยตาคําว่าท่านพราหมณ์ไม่ประมาททั้งกลางคืนและกลางวัน อธิบายว่าอาตมาภาพเจริญพุทธานุสติด้วยใจทั้งกลางคืนและกลางวันชื่อว่าไม่ประมาท ร, รวมความว่าท่านพราามไม่ประมาททั้งกลางคืนและกลางวันคำว่านอบน้อมอยู่ในคำว่านอบน้อมอยู่ตลอดราตรีอธิบายว่าอาตมาภาพนอบน้อมอยู่คือสั ก, กระเคารพนับถือบูชาอยู่ ด้วยกายวาจาใจปฏิบัติเอื้อประโยชน์ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรมได้แก่ให้คืนและวันผ่านไปให้ล่วงไปด้วยการปฏิบัติรวมความว่านอบน้อมอยู่ตลอดราตรีคำว่าอตาตมภาพเข้าใจความไม่อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอธิบายว่าอตาตมภาพเมื่อเจริญด้วยพุทธานุสตินั้นย่อมเข้าใจพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่า มิได้อยู่ปราศจากย่อมเข้าใจคือรู้ทราบรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดอย่างนี้ว่ามิได้อยู่ปราศจากแล้วรวมความว่าอาตมาภาพเข้าใจความไม่อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเหตุนั้นพระปิงกิยาเถระจึงกล่าวว่าท่านพราหมณ์อาตมาภาพไม่ประมาททั้งกลางคืนและกลางวัน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 ธรรมเหล่านี้คือศรัทธาปีติมรณะและสติย่อมไม่หายไปจากาศาสนาของพระโภดมุธเจ้าพระโคโดมผู้มีพระปัญญาดุจภูริเสด็จไปสู่ที่ใดๆอาตมภาพาเป็นผู้น้อมไปทางทิศนั้นๆนั่นแลคำว่าศรัทธาในคำว่าศรัทธาปีติมรณะและสติอธิบายว่าศรัทธาความเชื่อความกำหนด ความเลื่อมใสศรัทธาคือสรัทธินีศรัทธาภละปรารบพระผู้มีพระภาคคำว่าปีติได้แก่ความอิ่มเอิบความปราโมดความชื่นใจความบันเทิงความเบิกบานความร่าเริงความรื่นเริงความปลื้มใจความยินดีความมีใจสูงความมีใจแช่มชื่นความที่ใจเลื่อมใสยิ่ง คำว่ามณนะได้กแก่จิตมโนมานัตหาไทยปันธระมณนะมานายตนะมนินทร์วิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุอังเกิดจากวิญญาณขันนั้นปรารบพระผู้มีพระภาคคำว่าสติได้กแก่สติความระลึกถึงสัมมาสติปรารบพระผู้มีพระภาครวมความว่า ศรัทธาปิติมนณะและสติคำว่าธรรมเหล่านี้ย่อมไม่หายไปจากศาสนาของพระโคดมอธิบายว่าธรรมสีอย่างเหล่านี้ย่อมไม่หายไปคือไม่ไปไม่ละไปไม่สูญหายไปจากศาสนาของพระโคดมคือจากศาสนาของพระพุทธเจ้าจากศาสนาของพระชินทรเจ้าจากศาสนาของพระตถาคตจากศาสนาของพระอรหันต รวมความว่าทำเหล่านี้ย่อมไม่หายไปจากศาสนาของพระโคดมคําว่าสู่ทิใดๆในคําว่าพระโคดมผู้มีพระปัญญาดุจภูริเสด็จไปสู่ทิใดๆอธิบายว่าเสด็จไปดำเนินไปมุ่งไปมุ่งหน้าสู่ทิตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้หรือทิศเหนือก็ตามคําว่าผู้มีพระปัญญาดุจภูริ อธิบายว่าผู้มีพระปัญญาดุจภูริคือมีพระปัญญามากมีพระปัญญาเฉียบคมมีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาอาฐานมีพระปัญญาฉับไวมีพระปัญญาเพิกถอนกิเลสแผ่นดินเรียกว่าภูริพระผู้มีประภาคทรงประกอบด้วยปัญญานั้นกว้างขวางแผ่ไปเสมอด้วยแผ่นดินนั้นรวมความว่า พระโคดมผู้มีพระปัญญาดุกภูริสเสด็จไปสู่ทิศใดๆคําว่าอาตามภาพเป็นผู้น้อมไปทางทิศนั้นๆ น, น, นั่นแลอธิบายว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณทิศใดอาตามภาพก็น้อมไปทางทิศนั้นเอนไปโอนไปโน้มไปน้อมใจไปในทิศนั้นมีทิศนั้นเป็นใหญ่รวมความว่า อาตามภาพเป็นผู้น้อมไปทางทิศนั้นๆนั่นแลด้วยเหตุนั้นพระปิณกิยะเทระจึงกล่าวว่าธรรมเหล่านี้คือศรัทธาปิติมนณะและสติย่อมไม่หายไปจากศาสนาของพระโคโดมพุทธเจ้าพระโคดมผู้มีพระปัญญาดุพูริเสด็จไปสู่ทิศใดๆอาตามภาพเป็นผู้น้อมไปทางทิศนั้นๆนั่นแล ปิยคิยะเทระกล่าวว่าอาตมภาพชราแล้วมีกำลังและเรี่วแรงน้อยเพราะเหตุนั้นแหลร่างกายจึงไปในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ไม่ได้แต่อาตมาภาพไปเฝ้าพระองค์เป็นนิจโดยการไปด้วยความดําริท่านพราหมณ์เพราะว่าใจของอัตมภาพเกาะเกีเ่ยวอยู่กับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นคําว่าชราแล้วในคำว่า อาตมาภาพชราแล้วมีกำลังและเรี่ยวแรงน้อยได้แก่ชราแล้วเือเป็นผู้เท่าสูงอายุล่วงการมามากผ่านวัยมามากรวมความว่าชราแล้วคำว่ามีกำลังและเรี่ยวแรงน้อยได้แก่เป็นผู้เท่าเือมีเรี่ยวแรงน้อยลงมีเรี่ยวแรงนิดเดียวรวมความว่าอาตมาภาพชราแล้วมีกำลังและเรี่ยวแรงน้อย คำว่าร่างกายจึงไปในสถานที่ ท, ท, ไไ startups, oder, space, ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ไม่ได้อธิบายว่าร่างกายไปไม่ได้เพื่อมิได้ถึงมิได้เดินทางไปมิได้ก้าวไปทางที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่รวมความว่าร่างกายจึงไปในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ไม่ได้คำว่าแต่อัตมภาพไปเฝ้าพระองค์เป็นนิดโดยการไปด้วยความดําริอธิบายว่า อาตมาภาพไปเฝ้าคือถึงเดินทางไปก้าวไปโดยการไปด้วยความดําริคือดยการไปด้วยความตรึกด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยความรู้รวมความว่าแต่อาตมาภาพไปเฝ้าพระองค์เป็นนิดโดยการไปด้วยความดําริคำว่าใจในคำว่าท่านพราหม์เพราะว่าใจของอาตมาภาพ เกาะเขียวอยู่กับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นได้แก่จิตมโนมานัตฮาไทยปันระมณนะมนายตนะมนินทร์สีวิญ ญ, ญาณวิญญาณขัน์และมโนวิญญาณธาตุที่เกิดจากวิญญาณขันนั้นคําว่าท่านพราหมณ์เพราะว่าใจของอัตมาภาพเกาะเขียวอยู่กับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้น อธิบายว่าใจของอาตมาภาพเกาะเกี่ยวคือเกี่ยวเนื่องผูกพันกับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่แล้วรวมความว่าท่านพราหมณ์เพราะว่าใจของอาตมาภาพเกาะเกี่ยวอยู่กับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นด้วยเหตุนั้นพระปิงกิยะเทระจึงกล่าวว่าอาตมาภาพชราแล้วมีกําลังและเรี่ยวแรงน้อยเพราะเหตุนั้นแหล ร่างกายจึงไปในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ไม่ได้แต่อัตมาภาพไปเฝ้าพระองค์เป็นนิดโดยการไปด้วยความดําริท่านพราหมณ์เพราะว่าใจของอัตมาภาพกเกาะเยี่ยวอยู่กับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้น สิงคาเทระกล่าวว่าอาตมาภาพนอนดิ้นรนอยู่ในเปลือกตมลอยจากเกาะหนึ่งไปสู่เกาะหนึ่งครั้นต่อมาอาตมาภาพเตี้ยเป่าพระสัมพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามโอคะได้แล้วไม่มีอาสวะคําว่านอนในเปลือกตมในคําว่านอนดิ้นรนอยู่ในเปลือกตมอธิบายว่านอนคือนอนลงอยู่อยู่อาศัย อยู่ประจำในเปลือกตมคือกามคือโครนตรมคือกามกิเลสคือกามเบ็ดคือกามความเร่าร้อนคือกามความกังวลคือกามรวมความว่านอนในเปือกตมคำว่าดิ้นรนอยู่อธิบายว่าดิ้นรนดิ้นรนอยู่สันเทากระจับกระสายด้วยความดิ้นรนเพราะตันหาเพราะทิฏฐิเพราะกิเลสเพราะการประกอบ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 ผู้ตกอยู่ในพลังกิเลสก็ดิ้นรนตามอำนาจอนุสัยดิ้นรนเพราะลาบเพราะเสื่อมลาบเพราะยศเพราะเสื่อมยศเพราะนินทาเพราะสรรเสริญเพราะสุขเพราะทุกข์ดิ้นรนเพราะชาติเพราะชราเพราะพยาธิเพราะมรณะเพราะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุบายาตดิ้นรนเพราะทุกข์เนื่องจากการเกิดนรก เพราะทุก์เน in ื่องจากการเกิดในกําเนิดเดรชาณเพราะทุกข์เนื่องจากการเกิดในเปตะวิสัยเพราะทุกข์เนื่องจากการเกิดในโลกมนุษย์เพราะทุกข์เนื่องจากการถือกําเนิดในคันเพราะทุกข์เนื่องจากการอยู่ในคันเพราะทุก์เนื่องจากการคลอจากคันเพราะทุกขเสบเนื่องมาจากผู้เกิดเพราะทุกของผู้เกิดที่เนื่องมาจากผู้อื่นเพราะทุกที่เกิดจากความพยายามของตนเอง เพราะทุกที่เกิดจากความพยายามของผู้อื่นเพราะทุกกายทุกใจเพราะทุกที่เกิดจากสังขารเพราะทุกที่เกิดจากความแปรผันดิ้นรนเพราะทุกที่เกิดจากโรคทางตาเพราะทุกที่เกิดจากโรคทางหูเพราะทุกที่เกิดจากโรคทางจมูกเพราะทุกที่เกิดจากโรคทางลิ้นเพราะทุกที่เกิดจากโรคทางกายเพราะทุกที่เกิดจากโรคศีรษะโรคหูโรคปาก โรคฟันโรคไอโรคขืดไข้หวัดไข้พิษไข้เชื่อมซึมโรคท้องเป็นลมสลบลงแดงจุกเสียดอหิวาตกโรคโรคเรือนฝีกลากมองเคร่อลมบ้าหมูผิดเปื่อยหิดด้านผิดหูดโรคละลอกโรคดีซ่านโรคดีกำเริบโรคเบาหวานโรคเริมโรคผู้พอง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 ทุกเพราะศีลวิบัติทุกเพราะทิฏฐิวิบัตริรวมความว่านอนดิ้นรนอยู่ในเปือกตมคําว่าลอยจากเกาะหนึ่งไปสู่เกาะหนึ่งอธิบายว่าลอยลอยไปคือล่องลอยไปจากศาสดาแรกไปหาอีกศาสดาต่อมาจากธรรมที่ศาสดาแรกบอกสู่ธรรมที่ศาสดาต่อมาบอกจากหมู่คณะแรกสู่คณะต่อมา จากทิฐิแรกสู่ทิฐิต่อมาจากปฏิปทาแรกสู่ปฏิปทาต่อมาจากมรรคแรกสู่มรรคต่อมารวมความว่าลอยจากเกาะหนึ่งไปสู่เกาะ ห, หนึ่งคำว่าครั้นต่อมาในคำว่าครั้นต่อมาอัตมาภาพด้วยเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าเป็นบทสนทิคำว่าครั้นต่อมานี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกัน คำว่าได้เฝ้าได้แก่ได้เฝ้าคือได้แลเห็นได้เห็นได้แทงตลอดคำว่าพระสัมพุทธเจ้าได้แก่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยามภูไม่มีครูอาจารย์คำว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นสัจกาบัญญัติรวมความว่าครั้นต่อมาอาตมาภาพได้เฝ้าพระสัมพุทธเจ้าคำว่าผู้ทรงข้ามโอคาได้แล้ว ในคําว่าผู้ทรงข้ามโอคะได้แล้วไม่มีอาสวะอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงข้ามคือข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นกาโมคะพโวคะทิถโคะอวิโชคะข้ามทางแห่งสงสารทั้งปวงได้แล้วพระองค์ทรงอยู่ในอริยวาจธรรมแล้วทรงประพฤติจรณธรรมแล้ว พระองค์ไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าผู้ทรงข้ามโอคะได้แล้วคำว่าไม่มีอาสะวะอธิบายว่าอาสะวะสี่อย่างคือหนึ่งกามาสะวะสองพวาสะวะสทิฏฐาสะวะสอวิชชาสะวะอาสะวะเหล่านั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงละได้เด็ดขาดแล้ว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 ครั้นต่อมาอาตมาภาพได้เฝ้าพระสัมพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามโอคะได้แล้วไม่มีอาสวะพระผู้มีพระภาคเสด็จมาตรัสว่าวัคิลิพัทราวุธและอารวิโคโดม เป็นผู้มีศรัทธาอันน้อมไปแล้วฉันใดแม้เธอก็จงเปิดเผยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกันปิงคยะเธอจากถึงฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามแห่งบวงมัจจุราชคำว่าวัคค리พระทราวุฒและอาลวิโคโดมเป็นผู้มีศรัทธาอันน้อมไปแล้วฉันใดอธิบายว่าพระวักคิลเถระได้มีศรัทธาน้อมไปแล้วคือหนักในศรัทธา มีศรัทธานำหน้าน้อมใจไปตามศรัทธามีศรัทธาเป็นใหญ่ยิ่งบรรลุอรหัตผลแล้วฉันใดพระพัทราวุเทระมีศรัทธาน้อมไปแล้วพระอารวิโคโดมมีศรัทธาน้อมไปแล้วหนักในศรัทธามีศรัทธานำหน้าน้อมใจไปตามศรัทธามีศรัทธาเป็นใหญ่บรรลุอรหัตผลฉันใดรวมความว่าวากคลิพัทราวุธ และอารวิโคโดมเป็นผู้มีศรัทธาอันน้อมไปแล้วฉันใดคำว่าแม่เธอก็จงเปิดเผยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกันอธิบายว่าเธอก็อจงเผยเปิดเผยคือแสดงออกน้อมใจกําหนดศรัทธาเผยเปิดเผยแสดงออกน้อมใจกําหนดศรัทธาว่าสังขารทั้งปวงไม่เทียงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วน ม, มีความดับไปเป็นธรรมดาฉันนั้นเหมือนกันรวมความว่าแม้เธอก็จงเปิดเผยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกันคำว่าปิงคียะเธอจักถึงฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามแห่งบ่วงมัจจุราชอธิบายว่ากิเลสขันและอภิสังขารเรียกว่าบ่วงมัจจุราช อมะตะนิพานทำเป็นที่ระ ง, งับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่ฉลาดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นชนิดเรียกว่าฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามแห่งบวงม จ, จุราชคำว่าปิงคียะเธอจักถึงฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามแห่งบวงม จ, จุราชอธิบายว่าเธอจักถึงฝั่งคือจักบรรลุฝั่ง ผูกต้องฝั่งทำให้แจ้งฝั่งรวมความว่าปิงคิยะเธอจากถึงฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามแห่งบวงมัจจุราชด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าวัคิพระทราวุธและอาลวิโคโดมเป็นผู้มีศรัทธาน้องไปแล้วฉันใดแม้เธอก็จงเปิดเผยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกันปิงคียะ เธอจากถึงฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามแห่งบวงมั จ, จุราชพระปิงกิยะเทระกราบทูลว่าข้าพระองค์นี้ฟังพระดำรัสของพระมุนีแล้วเลื่อมใสยอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีเครื่องปิดบังอันเปิดแล้ว ไม่ grammar, มีกิเลสจุดตะปูตรึงจิตทรงมีปฏิพานคำว่าข้าพระองค์นี้เลื่อมใสอย่างยิ profiles, ่งอธิบายว่าข้าพระองค์นี้เลื่อมใสอย grasp, ่างยิ่งค <บ ár. S 2> <check> ือเชื่อถือยิ่งยิ่งขึ้นไปกําหนดได้โดยยิ่งขึ้นไปน้อมใจเชื่อโดยยิ่งยิ่งขึ้นไปเลื่อมใสอย่างยิ่งเชื่อถืออย่างยิ่งยิ่งขึ้นไปกําหนดได้โดยยิ่งขึ้นไปน้อมใจเชื่อโดยยิ่งยิ่งขึ้นไปว่า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 ความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดพระองค์ก้าวล่วงกิเลสเครื่องคล้องและตันหาดุจตะขายได้แล้วชื่อว่าพระมุนีคำว่าฟังพระรํรรมดของพระมุนีแล้วอธิบายว่าได้ฟังคือได้สดับได้เรียนได้ทรงจำได้เข้าไปกำหนดพระํารัดคือคำที่เป็นแนวทางเทศนาคำสั่งสอนคำพร่มสอนของพระองค์รวมความว่า ฟังพระํารัสของพระมุนีแล้วคําว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีเครื่องปิดบังอันเปิดแล้วอธิบายว่าคําว่าเครื่องปิดบังได้แก่เครื่องปิดบังห้าอย่างคือหนึ่งเครื่องปิดบังคือตันหาสองเครื่องปิดบังคือทิฏฐิสเครื่องปิดบังคือกิเลสสเครื่องปิดบังคือทุจริตหเครื่องปิดบังคืออวิชชา เครื่องปิดบังเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงเปิดแล้วคือทรงรื้อออกเพิกถอนละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าทรงมีเครื่องปิดบังอันเปิดแล้วครั้งว่าพระพุทธเจ้าอธิบายว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้น คำว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นสัธิการัญญัตรวมความว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองทรงมีเครื่องปิดบังอันเปิดแล้วคำว่าไม่มีกิเลสดุตปูตรึงจิตในคำว่าไม่มีกิเลสดุตปูตรึงจิตทรงมีปฏิพานอธิบายว่าราคะชื่อว่ากิเลสดุตปูตรึงจิตโทสะชื่อว่ากิเลสดุตปูตรึงจิต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 ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าไม่มีกิเลสดุจตะปูตรึงจิตว่าด้วยบุคคลผู้มีปฏิพานสามจำพวกคำว่าทรงมีปฏิพานอธิบายว่าบุคคลผู้มีปฏิพานสามจำพวกคือหนึ่งบุคคลผู้มีปฏิพานเพราะปริยัติสองบุคคลผู้มีปฏิพานเพราะปริปุชฌา 3. บุคคลผู้มีปฏิพานเพราะอธิคมบุคคลผู้มีปฏิพานเพราะปริยัตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในศาสนานี้ได้เล่าเรียนพระพุทธพจน์คือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละญาณความรู้ของบุคคลนั้นย่อมแจ่มแจ้งเพราะอาศาัยการเล่าเรียน บุคคลนี้ชื่อว่าผู้มีปฏิพานเพราะปริยัตบุคคลผู้มีปฏิพา์เพราะปริปุชาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในศาสนานี้เป็นผู้ไตส่สวนในเรื่องความหมายในเรื่องที่ควรรู้ในลักษณะในเหตุในฐานะและอฐถนะความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ยานของเขาย่อมแจ่มแจ้งเพราะอาศัยการไตส่สวนบุคคลนี้ชื่อว่า ผู้มีปฏิพาณเพราะปริพุชา้าบุคคลผู้มีปฏิพาณเพราะอธิคมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในศาสนานี้ได้บรรลุสติปทานสี่สัมมปทานสี่อิทิบาทสีอินสีห้าพละห้าผชงเจ็ดอริยมรรคมีองแปดอริยมรรคสี่สามัญญผลสี่ปฏิสัมพิทาสีภาพิญญาหกบุคคลนั้นรู้เหตุ รู้ผลรู้นิรุตติภาษาเมื่อรู้เหตุเหตุย่อมแจ่มแจ้งเมื่อรู้ผลผลย่อมแจ่มแจ้งเมื่อรู้นิรุตตินิรุตติย่อมแจ่มแจ้งญานในเหตุผลและนิรุตติขั้งสามเหล่านี้ชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาพระผู้มีพระภาคทรงประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อม เพียรพร้อมด้วยปฏิภาณะปฏิสัมพิธานี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าชื่อว่าทรงมีปฏิภาณผู้ใดไม่มีปริยัตไม่มีปริปุจชาไม่มีอธิ ค, คมยานอะไรเล่าจากแจมแจ้งแก่เขาได้รวมความว่าไม่มีกิเลสดุดตปูตรึงจิตทรงมีปฏิภาณด้วยเหตุนั้นพระปิงคยะเถระจึงกราบทูลว่า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 อินคิยะเทระกราบทูนว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้ชัดอธิเทศทรงรู้ธรรมของพระองค์และของคนอื่นทั้งปวงเป็นพระศาสดาผู้กระทาส่วนสุดแห่งปัญหาทั้งหลายเพื่อเหล่าชนผู้มีความสงสัยให้กลับรู้ได้ว่าด้วยเทพสามคำว่าทรงรู้ชัดอธิเทพอธิบายว่าคาว่าเทพได้แก่เทพสามจพวก คือหสมมุติเทพ2อุบัติเทพสวิสุทธิเทพสมมุติเทพเป็นอย่างไรคือพระราชาพระราชกุมารและพระราชเทวีเหล่านี้เรียกว่าสมมุติเทพอุบัติเทพเป็นอย่างไรคือเทวดาชั้นจาตุมหาราชเทวดาชั้นเดาวดึงเทวดาผู้นับหนึ่งในหมู่พรมและเทวดาชั้นสูงกว่านั้น เหล่านี้เรียกว่าอุบัติเทพวิสุทธิเทพเป็นอย่างไรคือพระตถาคตสาวกของพระตถาคตพระอรหันตขีณาศพและพระปัจเจ ก, กสัิฐพระเจ้าเหล่านี้เรียกว่าวิสุทธิเทพพระผู้มีพระภาคทรงรู้ชัดเหล่าส ม, มุติเทพว่าเป็นอธิเทพทรงรู้จากเหล่าอุบัติเทพว่าเป็นอธิเทพทรงรู้ชัดคือทรงทราบ เทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งซึ่งเหล่าวิสุทธิเทพว่าเป็นอธิเทศรวมความว่าทรงรู้ชัดอธิเทศคำว่าทรงรู้ชัดธรรมของพระองค์และของคนอื่นทั้งปวงอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้คือทรงทราบทรงถูกต้องทรงแทงตลอดธรรมที่ทําพระองค์และชนเหล่าอื่นให้เป็นอธิเทศ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 สติปทานสี่อริยมรรคมีองค์8ดเหล่านี้เรียกว่าธรรมที่ทําพระองค์ให้เป็นอธิเทศธรรมที่ทําชนเหล่าอื่นให้เป็นอธิเทศเป็นอย่างไรคือการปฏิบัติชอบอริยมรรคมีองค์แปดเหล่านี้เรียกว่าธรรมที่ทําชนเหล่าอื่นให้เป็นอธิเทศ พ, พระผู้มีพระภาคทรงรู้คือทรงทราบทรงถูกต้อง แทงตลอดธรรมที่ทำพระองค์และชนเหล่าอื่นให้เป็นอธิเทศเป็นอย่างนี้รวมความว่าทรงรู้ชัดธรรมของพระองค์และของคนเหล่าอื่นทั้งปวงควาว่าเป็นพระศาสดาผู้กระทำส่วนสุดแห่งปัญหาทั้งหลายอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงกระทำส่วนสุดคือทรงกระทำที่สุดรอบทรงกระทำที่กำหนดทรงกระทาความจบแห่งปัญหาของพราหม ผู้แสวงหาฟังได้แก่ทรงกระทำส่วนสุดกระทำที่สุดรอบกระทำที่กำหนดกระทำความจบแห่งปัญหาของสพิยะพรามแห่งปัญหาของพระปิญคิยะเทระแห่งปัญหาของเท้าสักกะแห่งปัญหาของเท้าสุยามะแห่งปัญหาของภิกษุแห่งปัญหาของภิกษุณีแห่งปัญหาของอุบาสกแห่งปัญหาของอุบาสิกาแห่งปัญหาของพระราชา แห่งปัญหาของ ก, กษัตรแห่งปัญหาของพรามแห่งปัญหาของแพทย์แห่งปัญหาของสูตรแห่งปัญหาของเทวดาแห่งปัญหาของพระพรหมคำว่าเป็นพระศาษษสดาอธิบายว่าพระผู้มีประภาผู้ทรงนําหมู่ชื่อว่าพระศาสดาเหมือนบุคคลผู้นําหมู่เกวียนย่อมนาหมูเกวียนข้ามที่กั nd าลข้ามเพือข้ามขึ้นข้ามออก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 ความครื่มครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจที่กันดานเพราะความกำหนัดที่กันดานเพราะความขัดเคืองความลุ่มหลงความถือตัวทิฏฐิกิเลสทุจริตคือความโรคชาติเพราะความกำหนัดความโรคชาติเพราะความขัดเคืองความโรคชาติเพราะความลุ่มหลงความโรคชาติเพราะทิฏฐิความโรคชาติเพราะกิเลสความโรคชาติเพราะทุจริต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 จะเพียรพร้อมด้วยศีลาที่คุณในภายหลังเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงชื่อว่าผู้ทรงนําหมู่อย่างนี้บ้างรวมความว่าเป็นพระศาสดาผู้กระทําส่วนสุดแห่งปัญหาทั้งหลายคําว่าเพื่อเหล่าชนผู้มีความสงสัยให้กลับรู้ได้อธิบายว่าเหล่าชนผู้มีความสงสัยมาแล้วก็หายสงสัยกลับไปผู้มีความยุ่งยากมาแล้ว ก็หายยุ่งยากกลับไปผู้มีค e e e e oh mo e วามคิดสองจิตสองใจมาแล้วก็หายความคิดสองจิตสองใจกลับไปผู้มีความลังเลมาแล้วก็หายความลังเลกลับไปผู้มีราคะมาแล้วก็หมดราคะกลับไปผู้มีโทสะมาแล้วก็หมดโทสะกลับไปผู้มีโมหะมาแล้วก็หมดโมหะกลับไปผู้มีกิเลสมาแล้วก็หมดกิเลสกลับไปรวมความว่า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 คำว่าสภาวะนั้นอันอะไรนำไปมิได้เมื่อกำเริบอธิบายว่าอมตะนิพพานเรียกว่าทำเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกำนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทสภาวะนั้นอันอะไรนำไปมิได้คำว่าสภาวะนั้นอันอะไรนำไปมิได้ อธิบายว่านิพพานอันราคะโทสะโมหะโกธะอุปนาหะมักขะปลาสะอิสามัจจริยะมายาสาเถยถะธรรมภะสารัมภะมานะอติมานะมะทะปะมาทะกิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทางความเร่าร้อนทุกอย่างอาจวะทุกชนิดความโกรนกระวายทุกอย่าง ความเดือดร้อนทุกประการอากุชลาภิสังขารทุกประเภทนำไปไม่ได้เพื่อเป็นของเที่ยงมั่นคงแน่แท้มีการไม่แปรผันไปเป็นธรรมดารวมความว่าสภาวะนั้นอันอะไรนำไปไมิได้คาว่าไม่กำเริบอธิบายว่าอมตะนิพานทาเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่ฉลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหา เป็นที่คลายกำนัดเป็นที่ดับ ก, กิเลสเป็นที่เย็นสนิทเรียกว่าสภาวะไม่กำเริบความเกิดขึ้นแห่งนิพพานไม่ปรากฏความเสื่อมไม่มีความเป็นอย่างอื่นของนิพพานนั้นก็ไม่ปรากฏนิพพานจึงเป็นสภาวะเที่ยงมั่นคงแน่แท้มีความไม่แปรผันไปเป็นธรรมดารวมความว่าสภาวะนั้นอันอะไรนำไปไมิได้ไม่กำเริบ คำว่าใดในคำว่าสภาวะใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้ได้แก่นิพานคำว่าไม่มีอะไรอะไรเปรียบได้ได้แก่ไม่มีอะไรเปรียบได้คือไม่มีข้อเปรียบเทียบไม่มีสิ่งเสมอเหมือนไม่มีส่วนเปรียบเทียบไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้คำว่าที่ไหนได้แก่ที่ไห น, ไไหนคือในที่ไหน ทีไรๆภายในภายนอกหรือทั้งภายในและภายนอกรวมความว่าสภาวะใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้คําว่าแน่แท้ในคําว่าข้าพระองค์จกถึงสภาวะนั้นแน่แท้ความสงสัยในสภาวะนั้นไม่มีแก่ข้าพระองค์อธิบายว่าเป็นคํากล่าวในเดียวเป็นคํากล่าวโดยไม่สงสัยเป็นคํากล่าวโดยไม่เคลืบแคลง เป็นคำกล่าวโดยไม่เป็นสองในเป็นคำกล่าวโดยไม่เป็นสองอย่างเป็นคำกล่าวโดยรัดกลุ่มเป็นคำกล่าวโดยไม่ผิดโดยไม่พลาดคำว่าแน่แท้นี้เป็นคำกล่าวที่กำหนดไว้แน่แล้วคำว่าข้าพระองค์จักถึงได้แก่จักถึงคือจักบรรลุจักถูกต้องจักทำให้แจ้งรวมความว่าข้าพระองค์จักถึงสภาวะนั้นแน่แท้ คำว่าในสภาวะนั้นในคำว่าความสงสัยในสภาวะนั้นไม่มีแก่ข่าพระองค์อธิบายว่าความสงสัยคือความลังเลความสองจิตสองใจความแคลงใจในนิพพานไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ได้แก่ละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าฆ่าพระองค์จากถึงสภาวะนั้นแน่แท้ความสงสัยในสภาวะนั้นไม่มีแก่ฆ่าพระองค์คำว่าขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระองค์ไว้ด้วยประการศนี้แลในคําว่าขอพระองค์โปรดทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นผู้มีจิตน้อมไปในสภาวะนั้นแล้วด้วยประกาศนี้แลได้แก่ ขอพระองค์โปรดเข้าไปกำหนดค่าพระองค์ด้วยประการศนี้คำว่าเป็นผู้มีจิตน้อมไปในสภาวะนั้นแล้วอธิบายว่าเป็นผู้มีจิตเอนไปในนิพพานแล้วโอนไปนนิพพานแล้วน้มไปในนิพพานแล้วน้อมใจไปในนิพพานแล้วรวมความว่าขอพระองค์ da. โปรดทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นผู้มีจิตน้อมไปในสภาวะนั้นแล้วด้วยประการศนี้แล <aime>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 ปารายนานุคีติคาฐานิเทศที่สิบแปดจบปารายณะวัชจบบริบูรณ์